เรื่องระดมธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่ง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 เรื่องที่จะนำมากล่าววันนี้มีหัวข้อว่าระดมธรรมระดมธรรมฟังแล้วก็พิลึกกึกกอเอามาอีกแล้วเอาอะไรมาพูดทางนึงลายจะคิดอย่างนี้เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนี้โลกได้เจอก้าวหน้า วิทยาศาสตร์มันกล้าไปไกลอะไรอะไรมันก็รู้เข่าทันถึงกันหมดโลกนี้แค่ไปทันนักความเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีนี่แหละทำให้คนเรามีความทะเยอทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นกันจนลืม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 ไม่เกินร้อยปีเราก็จะบกมืออำลาญาติมิดวงอาทิสตโตโคเเวนเข้าเลิฟแห่งชีวิตลืมไปว่าปากนี่ท้องในน้อยนี่มันกินไม่ได้มากหรอกไม่เกินยี่สิบห้าคำเอ้าตีสอย่างมากอย่างอธรรมานีตามปกติถ้าจะให้พอดีพงงามหนึ่งสิบแปดคำนี่ก็หนักหน่วงแล้ว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 ทารีบเอาใจใส่น้อยมีอะไรก็ค้นไประดมไปทุ่มไปก็บอกกวาหาเสียงอีกแล้ว <c oughs> การเมืองขึ้นสมองของโลกทารโลกกาลังบูชาการเมืองเศรษฐกิจและการเมืองอะไรอะไรก็เป็นไปเพื่อเศรษฐกิจและการเมืองทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละโลกในยุคปัจจุบันนี่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 มนุษย์ได้รับความเดือร้อนวุ่นวายโลกประสาทมากขึ้นโลกบ้ามากขึ้นสถิติการหยาล้างมากขึ้นในอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกอีสานเรายัางเป็นแชมคนเป็นบ้าเป็นแชมโลกจิตมากกว่าภาคอื่นทั้งนี้และทางนั้นก็หอนอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจนั่นเองเศรษฐกิจที่เรากําลังหลงไหลบูชากันนี่แหละเราเข้าใจเศรษฐกิจ กันว่าคือการได้มาได้กําไรมีอยู่ดีกินดีที่สดคือเศรษฐกิจดีแต่คําว่าเศรษฐกิจจริงๆมันเป็นภาษาบาลีอย่าทําเป็นเล่นไฟเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทําเศรษฐกิจแปลว่าการกระทาที่ประเสริฐไม่ได้หมายความว่าการกระทําที่ต้องได้กําไร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 เมื่อโลกบูชาเศรษฐกิจชนิดที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีมีกําไรมากๆขาดทุนน้อยๆหรือไม่มีโอกาสขาดทุนเลยขยายไปสู่ความเป็นนิกจะถูกนอกกันเมื่อไหรไม่ทันโลกก็ขาดแคลนทําไปทุกทีทุกทีโลกในขณะนี้กาลังขาดแคลนทำมะโลกกําลังขาดทำกําลังกําลังหันหลังให้แก่ทำ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 เป็นภาษาเป็นคำใหม่เป็นกิจกรรมใหม่อได้ข่าวว่าเป็นพวกนักวิชาการในกรุงเทพนั่นแหละสะก่อนแล้วก็เลื่อยไปโสสํานักพระสองฆอง์เจ้าที่ท่านมีบทบาทในสังคมช่วยเหลือสังคมที่ท่านมีกูดวินหน่อยที่คนรู้จกักท่านจากงานระดมทํากันอาจจะมาเป็นคนป่าคนจริงไม่ค่อยจะดรู แต่ก็ได้ยินคํานี้มานานว่าระดมทรรมจัดงานระดมทำก็พอดีอืมปีนี้พ อ, อยังไม่ถึงสิ้นปีก็มีคนมานิมนต์จากที่ไกลไกลกระเดิมจังแดมจังหวัดชายภูมิมานิมนต์เพรวาว่านิมนต์ท่านไปป่าตะกถางานระดมทำนี่มีระดมทำขึ้นมา ฟังชื่อก็ดีนะมีความหมายอยู่ในตู้ที่นี้ต่อมาเอไเวนานก็มีมาจากมหาสารคามแล้วเมื่อไวนานมานี่ก็มาจากจังหวัดตราดจากจังหวัดตราดเป็นพระเป็นพระครูเจ้าอาวหัสวัดใหญ่เป็นพระครูด้วยมีรถประจำวัดให้คนขับพามาไม่เคยมาก็ต้องมาบุกมา ถึงวัดยูนในป่าเนี่ยท่านบอกว่ามาตามเสียงชาวบ้านเรียกร้องทางเมืองตราดอยากจะให้มานิมนท์ท่านไปแสดงป่าทกะท้าทำในงานระดมธรรมนาว อ, อีกแล้วระดมธรรมอีกแล้วระดมธรรมกันห้าวันห้าคืนใหญ่โตมาหอลานเรียกว่า ง, งานมหากรรมเลย แต่นี้นี า, าทางพวกเรานี่ไม่ค่อยจะได้ยินกันสกลนครนครพนมขามกดาหารโซนของเรานี่หนองคายไม่ค่อยจะได้ยินแต่ที่ไม่ได้ยินนั้นไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันพระเดชพระคุณท่านพระคู่ภาวนาปัญญาพรวัดเนินพนาจังหวัดหนองคายท่านจัดทุกปีพระเดชพระคุณพระคูพิสานธรรมมาพานีวัดป่าเรไรบ้านเชียงท่านก็จัด ระดมทำกันทุกปีแต่พวกเราก็มีความรู้จักน้อยก็เริ่มจะมีขึ้นแต่ปีนี้มีมาในมนแต่นั้นน่นแต่มาก็ถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรผพรอยู่ที่นี่ชาวบ้านเมืองตรานเมืองจันน์นั่นรู้ได้อย่างไรท่านบอกว่ามีเทพนเอาไปขายเรื่องการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนา และมีคนซื้อไปฟังที่วัดที่วาเยอะอาวเป็นสั ง, งั้นไฟเกิดไปได้ยังไงเรายังไม่เคยเลยเขาวอามีขายมคนซื้อไปแล้วขายก็เรียกร้องจนถึงกับรบเราให้ท่านพระโกมานิมอ น, นให้ไปแสดงธรรมในงานระดมธรรมพ่อพูดถึงระดมธรรมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า น, น่าจะพูดให้พี่น้องชาวบ้านเรา สกลนครนครพนมมกดาหาน้องคายบุดรของเรานี่ได้ทราบมากมากขึ้นพวกเรารู้จักบุญพระเวศสันดรกันยิ่งใหญ่มหาลาลบุญมหาชาติข่าควายสิบตัวกินเหล้าดูหนังดูละครเมากันสาวันสามคืนนันบุญมหาชาติพระเวศสันดรข่าวกันนาปลาขึ้นบ้านเดินสามข่อยเจ้าหัวค่อยปั่นกับจีเดินสี่ข่อยเนนหน่อยเทศมาที่ รู้จักกันดีเหลือเกินพาเวทประจําปีมีกันลอนแห่งันล่ำฟ่อนท้าสะฟ่อนกันต้นมหาพลไก่ตีเทยียงเิ็งมะลึกถึ้ถให้เมืองบ้านสุมเย็นรู้กันดีบุญกระทินสนุกสนานการซอยแสบซกและกลาบเลือด <c oughs> เลิกกันไม่ได้เอารู้จักกันดีบุญเหล่านี้นอกจากนั้นก็มีเพิ่มกันมาอีกโอเวอร์เอ็กตาบุญเนะ่เยอะแยะไปหมดเลย ลอยกระทงเดือนนี้ก็เอาอีกแล้วฮิตกันเลือกเกินวันก่อนมาจากไปเทศเพทางจังหวัดน้องคายไปเทศทางเซกาไปมาจากทางเมืองน้องคายแล้วไปเทศในคูเมื่อคืนเหนแห่กันไปลอยกระทงไอ้ลอยกระทงนี่เพิ่งจะเฮอกันขึ้นมาใหม่ดอกในภาอีสานเรานั้นมันไม่ค่อยมีขอบอกตรงต เขาบอกตรงๆเหไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่สนับสนุนจะถือว่าเป็นประเพณีอย่างไรก็ตามใจเธอแต่การลอยกระทงนั้นเป็นประเพณีของชาวฮินดูเขาพวกศาสนาพาราหมณ์เขาเขามีประเพณีทีปวาลีลอยประทีปลงในแม่น้ำเพื่อบูชาพระนารายณ์บันทมสินในสะดือทะเลน่นเมื่อวันเพ็ญเดือนสิบสองชาวอินเดียก็ทำมานานแล้ว ตอนพุทธศาสนาของเราจะเข้ามาในประเทศไทยในชาวอินเดียเขาก็มีประเพณีทีปาวารีการจุดบั้งไฟบ้องไฟเขาก็มีเรียกว่าบูชาแม่อัคคีเขาก็มีมาก่อนไม่ใช่คนไทยเราทำแต่พวกเราก็เอากันต่อมาวัฒนธรรมสายนี้มันก็เข้ามาทางเรือเรือแพทางผ้ากลา ง, ทา ง, ท, างทางปากใต้ พวกอินเดียร่องเรือมาซื้อเครื่องหองกรรมกํายานมาค้าค้ายทองคำอ่าเรือข้ามอ่าวเบงกอนอ่าวมอตตมะมอตตมะอ่าวเบงกอนมานี่เรียบลงมาทางนามหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขึ้นมาทางระ น, นองทางเนี้ยหรืออ้อมแล่นลงไปนู่นก็มาเข้าทางอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปจนถึงกัมพูชาในอินเดียมาสายน้วัฒนธรรมอินเดียมาสายนี้แล้วก็ได้นำมาเยผยแพร่เรื่อยๆพี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องชาวอืมปกากใต้มีวิธีลอยกระทงมาก่อนทางอีสานได้รับวัฒนธรรมสายอินเดียนิก่อน เขาจะมีการแต่งเพลงร้องวันเพ็ญเดินสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายยิ้งสนุกกันจริงวันลอยกระทงนั้นมันก็โถกทางภาคกลางทางปากักใต้น้ําทะเลขึ้นมันนุนในวันเพ็ญเดินสิบสองน้าํานนองเต็มตะลิงเขาก็ลอยกระทงผ่าอีสานแล้วก็วันเพ็ญเดืินสิบสองน้ำนองเต็มตะลิงเอามารองกั็เหมือนเอากล้วยซุกจำประแดกบองไกลกันเขินเต้งยังโตนจุดเลย มันเต็มตะลิงที่ไหนลน้ำภาคอีสานวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำสงขามก็จะแห้งน้ำของก ง, งวดจึงจะมานองเต็มตะลิงก็ร้องเฮอเฮกันไปงั้นทางนั้น้ทแาไรทางนั้นก็เพื่อได้สนุกสนานกันนั่นอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นลักษณะเช่นนี้เราก็ยังรู้ดีแต่คำว่าระดมธรรมนี่เราไม่รู้ เรายัางไม่ได้ยินกันเท่าไรก็เลยอยากจะเอามาพูดวันนี้แต่นี้เขามีงานใหม่ก็เรียกว่างานระดมทมอาตมาได้รับนิมนต์ไปเทศหลายจังหวัดแดีนี้เดี๋ยวนี้จะจองมามานิมนต์กันไกลถึงจังหวัดจังจังหวัดตราดเพื่อไปไปาธถกระทาทำในงานระดมทำมจึคใครอยากจะนำมากล่าวที่นี่ให้พวกเราได้ทราบ พี่นงเราชาวตรกระกนครนครพนมมกดาหาน้องคายอุดรเหล่านี้เราน่าจะรู้จักคำนี้แล้วกันน่าสนใจน่าจะทำก็ขออธิบายขยายความว่าระดมธรรมคืออะไรทำไมจึงต้องระดมธรรมและระดมธรรมในเพื่ออะไรและจะระดมธรรมโดยวิธีใด อาดมานึกอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยๆไมว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่จะนำมาพูดต้องถาม ว, าว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดกันให้เข้าใจคาว่าระดมนี่คำหนึ่งทำนี่คำหนึ่ง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 เตรียมไม่พร้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าระดมกองกาลังทหารระดมธรรมก็เหมือนกันระดมธรรมก็คือรวบรวมเรี่ยวแรงพลังงานแห่งธรรมพลังงานแห่งธรรมคือบุคคลที่เป็นผู้นําทางจิตใจทางวิญญาณมีอะไรหลักคำคํา ส, สั่งซ้อนดีๆงามๆ น, นิมนต์มารวมกันเชิญมารวมกันล้ระดมพลังงานแห่งธรรมเอาออกมาใช้เอามาซ้อนคนมา ตกเล่าให้มองเห็นคุณค่าของศาสตร์ศาสนาคุณค่าของศิลปของธรรมชี้ลงไปเห็นโทษว่าบ้านเมืองมันขาดศิลปขาดธรรมมันเป็นอย่างไรนี่ระดมธรรมมันเกิดขึ้นในลักษณะนี้คือทุ่มเทพลังงานแห่งธรรมที่มีธรรมคืออะไรธรรมนี่เมื่อกี้เราพูดถึงระดมแล้วนะระดมไปลว่าการรวบรวมเรียลแรงมีเท่าไหร่ทุ่มเทลงมาให้หมดระดมมาให้หมด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 เป็นผู้ประพฤติดีงามปฏิบัติดีงามทรงความรู้ความเข้าใจทรงมาติกาพระวินัยพระโสดอะไรต่างๆสสดตะเคยะประกรณคาถาอุทานอิติพุตกาอะไรต่างๆนั่นระดมทุ่มเทมามันสมองของสาตนามันสมองของชาติเมื่อรวมกันโอกเราระดมทำยังไง ม่านเบืองเราจรึงจะสงบจึงจะร่มเย็นเราจะแก้ไขโดยวิธีใดจะจัดจิตจั ด, จดใจอย่างไรมันมีปัญหาอันนี้มันเกิดมาจากอะไรต้นตอปัญหามอยู่ยังไงสืบพ้นไปจนถึงต้นเขาสืบสาจนเหตุถึงเหตุถึงผลจนแยกแก้ออกมาตลอดสายวิเคราะห์วิจัยให้เห็นชัดเจนแล้วก็ทําลงไปให้มันถูกต้องนี่คือเรื่องราวที่เรียว่าระดมธรรมรวบรวมบุคคลผู้อยู่ในสิ่งในธรรมแล้วก็มารวมกัน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 ใหญ่กว่าบุญพระเวทสันดอนใหญ่กว่าบุญมหากรถินอีกร้อยกองพันกองแต่ไม่ได้สิ้นเปลืองไม่มีการฆ่างวคฆ่าคว้าไม่มีการร้องรำทำเพลงคนเป็นห้าร้อยหกร้อยอย่างที่วัดอาดมานีก็มาเมื่อการจัดอยู่ในรูปพระดมธรรมในตอนวันสงคัญวันวิสาขวันอะไรปีนี้ท่านทัลงหลายตังแกฟังไว้ให้ดีเ ม, ดดเมื่อดอกกำลําดวนบานเมื่อไรแต่มาจะประกาศ ระดมทำอีกเหมือนกันที่นี่ดิธีปริวาสหรือว่าสมาธิปริวาสเอาญาติเอาอยาอายมผู้สนใจสมาธิภาวนาเข้ามาอยู่วัดมาฝึกฮัดจิตใจเอามันสักเจ็ดวันเตรียมตัวไว้ให้ดีพี่น้องชาวสกลนครของเราหรือน้องชายนครพนมมกดาหารอุดรที่ได้ยินเตรียมมาเลย อันนี้ยธรรมมาเขจะระ ด, ดมเมืองกันแต่เรี่ยวของคนละชื่อนั่นเองความจริงเขาว่าระ ด, ดมทำนั้นที่อื่นระ ด, ดมจริงๆนีมน่มตนมาโมดโคบาอาจารย์ชื่อเสียงโ ด, ด่งดังอยู่ตรงไหนก็ได้ไปพบกันระ ด, ด ม, มทุ่มเทเรีว่วแรงลงไปแต่ที่อารมมาจัดโยนี่ก็ระ ด, ดมท่านผูดสนใจในธรรมมาปฏิบัติธรรมส่วนโคบาอาจารย์นั้น <c oughs> ขออภัยไม่ได้ไประ ด, ดมมาจากที่อื่น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 สี่ห้าหร้อยก็มาระดมกันที่นี่ที่นี้เราเห็นว่าการระดมธรรมนั้นก็คือการทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ฝ่ายวิชาการและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปนั่นคือฝ่ายการปฏิบัติรวมและกันเลว่าทั้งทางเทคนิคและวิชาการให้มันถูกมันต้องให้ประชาชนได้รู้ได้เห็น ได้กระทำได้เอานำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันพุทธศาสนาจึงจะเป็นศาสนาที่มีประโยชน์ต่อชนชาติไทยมิฉะนั้นแล้วเราก็ใจพบแต่ความปั่นป่วนเรือร้อนฟุ่นวายเกิดวิกิตการต่างๆดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นดันว่าระดมธทมคืออะไรก็ได้ทำมาแล้วทำไมจึงต้องระดมรมนี่คือหัวข้อที่จะพูดต่อไป เขามาทำไหมนั่นคือมันยังเป็นคําถามอปอันหนึ่งว่าเมื่อรู้จักระดมแล้วก็ทําไมยิงจะต้องระดมทําไมงจะต้องระดมทำเพราะว่าโลกทุกวันนี้กําลังขาดทำคนทั้งหลายกําลังหันหลังให้แก่ทำกําลังบูชาอาธรรมบูชาอบายามุกําลังบูชา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 หกสิบรูปท่านระดมก็ไประดมทำทันทีเลยจะระทะพิก เ, เวจาริกังพรมเจริยังปาาเตะเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศการประพฤติปฏิบัติอันประ่อเสดหรือว่าพร ม, มาจาร์นั่นนี่แหละระดมทำระดมทมคนหกสิบคนสามโหหกสิบรูปนี่ระดมท ำ, มะะดมทำเดินลงไปคนละทางผู้หญะะิงบอกว่ามาเอเกนะคมยิทธะอย่าไปทางเดียวกันทั้งสองคนนะมาทเวนะคมยิทธะ อย่าไปทางเดียวกันทั้งสองคนหายไปคนเดียวมันมีน้อยไประดมคนเดียวเลยในที่สุดแล้วค่อยประสานใส่กันแต่เดี๋ยวนี้เรามีกันมากรถเรือรถทัวร์วีไอพี IP, ไปมาซาดวกสาบายจะไปถึงไหนก็ได้มันก็เลยระดมกันง่ายที่จะต้องใช้พลังงานแห่งธรรมเทียนแต่ว่าเราจะเอากันจริงหรือไม่เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะชักชวนเราทั้งหลายชาวสกลนครเอยายนครพนมมุกดาหาร น้องขายอุดรธานีโซนของเรานี่อีสานตอนบนเนี่ยเมืองเลยพุ่นนะคือกันนั่นแนวก็ต้องทําเหมือนกันทั้งเมืองเลยกรได้หูกนี่หมดเหมือนกันเมืองเลยที่เป็น ว, ว่าจะต้องระดมทำพระสงฆออ์กเจก้านีเป็นแกนนาเป็นตัวตั้งตัวตีให้มองเห็นคุณค่าของศาสนาเดี๋ยวนี้พวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานี่ยควรจะเลิกได้แล้วเยาว่ยาเยา่ยาย่าชวนชาวบ้านแข่งเรือไปขอรางวัลตรงโน้น ต, ต, ตรงนี้น่ยมันส่งเสริมการพานนั้นเยา่ยาเยา่ยาเย่าชวนชาวบ้านแข่งบ้องไฟพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ระ ด, ดมอบายมกุกไม่ใช่ระ ด, ดมทำผู้อย่างนี้ก็เอาไปลโลหอมีจะได้กอดได้แข็งกันนะ รักกันดอกจึงหยอกจึงเย้ารักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฟงรักศาพทนารักศิลรักธรรมเรามาระดมทำกันเธอเลิกระดมอบายยมุกกันได้แล้วนี่เรือวัดโน้นวันนี้พระสงฆ์อยากเป็นตัวตั้งตัวตีพองาลอยกระทงพระเป็นตัวตั้งตัวดีเย็บกระทงมาขายให้ชาวบ้านในชาวบ้านซื้อกระทงไปลอยหาเงินเข้าวัดจ้างนังให้ชาวบ้านอย่างนี้มันระดมอบายยมุกนะครับมันไม่ใช่ระดมทำ จยากจะชวราดมทํากันหน่อยพูดตรงนี้คงจะกระทบกระเทือนกันโอ้สาตุ์อย่าได้ถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนเลยรักกันจริงๆจึงพูดอย่างนี้ไม่มีใครก็พูดกันเท่าไหร่หลอกเรื่องอย่างนี้มีพอกลัวจะกระทบกระเทือนการอาตมานั้นยกให้คนหนึ่งเพื่อนฟุ้งเจดดาเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นกระบุ้งเป็นกระปุวยเป็นกระเสซอเกวียนก็ไม่ว่าให้อภัยอยู่แล้วไม่ถึอสาหาความ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 ที่นี่แต่จะพูดไปอีกคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เกลียดที่ชังไม่มองไม่ยอมรับฟังเหตุรับฟังผลจะเป็นดีตายเถ้าเจ้าผู้เดียวหาโมด้าตายดามูอย่างนี้ก็มีมากก็ไม่เป็นไรอืมใจบอโซดาด้วยวว่าแมนกับเป็นพิษใจบอโซดาดอมวอาดีกับเป็นหาน่ า, าิคนโบราณท่านว่าอย่างนี้มันก็คงจะถูกเร่องบว่าแมนสิง ตามท่วนไต่ยอ่อแสงแก่งหุ่งฟุ้งมูชาบอดใบเขาสีห์หอมด่คนตาบอดใต่กระบองให้ร้อยดวงก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เกิดมาอีกพันดวงพร้อมกันก็ยังมืดตึืต้ออยู่ดีดีพูดดีดีโดยเหตุด้วยผลปกครองไม่มองเห็นกงจะกเกียจะชังเงินก้นไม่เป็นไรเอเว้รอไม่ไม่มีเวน้นไม่มีภัยรักกันจึงว่าอย่างนี้บ้านเราเมืองเร า, า, เ, ราเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่า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 ให้มองเห็นคุณค่าของทมชี้ให้เห็นโทษของสังคมที่กำลังหลงไห้บูชาวัุิยมวัฒนธรรมตะวันตกมันเป็นอย่างไรบ้านเมืองกำลังขาดแทนสินรมอย่างนี่จนเกิดวิกฤตการ์ปั่นป่วนเล่าร้อนกันทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าดังที่เรื่องราวที่เราเห็นหยกยกสอกกันนาตะกำทางปักใต้บ้านเราชุมพรทางอาเภอ ปัดทิวท่าแชะไปนโน้นเห็นไหมล่ะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินน้ำตาเหือดแท่งร้องไห้ด้วยกันไม่รู้จะทรัพย์กันยังไงนั่นเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ขาดรมอีกเหมือนกันผู้อย่างนี้เหมือนกำปั้นทุบดินพระพุทธเจ้าหันตราสไว้เรียบร้อยแล้วโลกขาดทำมันจะเดือดร้อน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 พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้ว่าโลกเนี่ยมันจะพันผวนมันจะแปรปรวนอย่างไรกระทบกระเทือนทึงดินถึงน้ําถึงไฟถึงลมดูความพิสูจนั้งหลายมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมหัาานว่ายอย่างนี้พราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลมีธรรมจะไล่ลงมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าขราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าขราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วจะไปเอาเปรียบ พวกนักวิชาการนักธุรกิจิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวัสนารในแผ่นดินมันเข้ากันอนไม่ไหววิธีใดที่เขาจะรอดมันก็โกงกันต่อไปอย่างนี้เมื่อข้าราชการไม่มีสิ้นมีทำแล้วพามือหาบอดี้ไม่มีสิ้นมีทำเมื่อพามือหาบอดีคือนักวิชาการและนักธุรกิจเขาก็ไม่มีสิ้นมีทำเขาก็เอาเปรียบ คนอื่นต่อไปที่เขาจะเอาเปรียบได้ก็คือหายประชาชนข่าวชนชนบทคามานิคมทั้งหลายเหล่านี้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ผีดพันธัญญาณผิดพันธุ์กเกษตรกรรมอะไรที่เขาผลิดมาพวกที่เป็นพวกอาคนกลางโมโหเอากดเอ า, เอาทีนี้พวกประชาชนคามานิคมชนนบดทั้งหลายเมื่อถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วไอความอยากอะไรต่างๆมันกกำเริบกันด้วยกันทั้งนั่นกิเลสบันมีด้วยกันในที่สุด พวนี้ก็ไม่มีสินมีธรรมไม่เข้ารบกฎหมายบ้านเมืองพอรักเกาะรักพอ่อยังไงก็ในที่สุดเมื่อกฎหมายบ้านเมืองมีโยกพวกนี้ถูกเอาลาเปรียบมาเขาก็ร่วงละเมิดกฎหมาย ทำลายแผ่นดินแผ่นน้ําแผ่นฟ้าอะไรต่างๆขึ้นมาประชาชนทั้งหลายก็เต็มไปด้วยความไม่มีศินไม่มีทำมือขกยาวเท้าได้เท้าเอาเอารถเอาเปียบกดขี่ความเพงมีโอกาสก็ฉ ว, วยกันทั้งนั้นย่ ง, ยงกันกินย่งทินกันอยู่แย่งกูกันพิษสว่าดย่งอํานาจกันเป็นใหญ่เป็นโตกันไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็ปัน่นป่วนกั น, ป น, ปนไปหมดทั้งโลกแล้วทํายังไง พระพุทธเจ้าทั้งคู่เชื่อมโยงต่อไปว่ามันไปกระทบกระเทือนกับนูนสุริยะจักรวาลสุริยะจันทิมาปริวัตินปริวัติตันติวิสังมังใช่ไหมพระอาทิตย์พระอาจารย์ก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระอาจารย์โคจรไม่สม่ำเสมอการดึงดูดทวงดึงอะไรต่างๆในระบบในสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มอะไรต่างๆของมันเมื่อมันโคจรไม่สม่ำเสมอมันดูดให้ดวงดาวที่มันอาศัย ดึงดูกันเนี่ยก็เกิดให้ดาวนกษัตต์นี่โคจรไม่สม่ำเสมอนักขัตตานิปริวัติตันติวิสมังไอ้ดาวนี่ไม่โคโคจรไม่สม่ำเสมอเองเหมือนกันเมื่อไม่โคจรไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็เป็นเหตุส่งให้หนึ่งเดือนกึ่งเดือนละดูเดือนขาดเคลื่อนเดือนหนึ่งกึงเดือนก็ไม่สม่ำเสมอไหนไหมวันคืนก็เปลี่ยนแปลงไปไม่สม่ำเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้ดาวนักขัตต์จะเลือกต่างๆที่เดิน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 โลกนี้ก็อดาวดวงหนึ่งดาวหางใหญ่ก็โลกอีกวิ่งมาถ้าเกิดไม่ชนโลกก็วิ่งเฉียดไปไกลๆ ก, ก็จะดูโลกนี้ให้วิ่งตามเขากลัวอย่างนี้พวกเราไม่รู้เรี่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยตุยบุหุจักนั่งจะ ด, ดีอีกเหมือนกันแต่พูที่จะท่านพูดไว้หมดแล้วคือระบบมันขาดเป็นขาดทมนั่นาอาทิตย์พระจันโคจรไหม่สา ม, า ม, สามัคตรเมองดวงดาวโคจรใหม่สม่ําเสมอวันคฤดูเดือนปีขาดเขืนหนึ่งเดือนกึ่งเดืนดนดนอนก็ใหม่สา ม, า ม, สามัคตรเมอหลังจากนั้นลม ก็พัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็หลงทางหนนะลมหลงทางกองอุตุนิยมบอกว่า น, นู่นพายุเกกำลังก่อดัวมาโนอนอยู่ทางอยู่ไกลแสนจะไกลนะจากมุงหน้าเขาสืออาไทยของเราคิดว่าจะลงทางแหลมตะลุมพุก นายอำเภอตลุมพุกนีทางนครซีธรรมราตเตรียมตัวขนย้ายชาวบ้านกันยกใหญ่ที่ไหนได้มันมาถูกนี่พายนุนี่ท่าแชฉนี่นั่นพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาเมื่อลมมันเดินไม่สม่ำเสมอมันก็หลงทางมันมุ่งหน้าไปโน่นมันก็ตีกับมวนเสือเข้ามานี่อย่าไปหัวเราะ อ, อีกต่อไปปีหน้าอาจจะถล่มผ้าอีสานนี่ก็ได้ จะทำไปเล่นไฟมนุษย์มไม่มีสิ้นมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าระบบอกสุรยิยะจักรวาลกันทั้งหมดเลยนั่นเมื่อลมอเดินไม่สม่ำเสมอลมก็เดินหลงทางดังกล่าวแล้วเมื่อลมเดินหลงทางเทวดากำเลิกก็คิดดูสิสวนอย่างเอย่ยพวกต้นมะพร้าวเอย่ยล้ ม, ม ล, ะละนะั่นเลยละหน้าเรือนชานบ้านช่องถ้าเกิดมีเทวดาลุคะเทวาภุมะเทวาที่อยู่ตามพรมสถานบ้านช่องตั้ม สละทละวิสเมในเกาะแก่งในที่ไม่สม่ําเสมอกันอยู่ในต้นไม้ที่ว่าลุกเทวดาพายุเปถล่มไม่เทวดาไปไหนกำเลิกอีกเหมือนกันเห็นไหมเทวดากำเลิกพระพุทธเจ้าต่อมาฝนฟ้าก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันวุ่นไวายไปหมดเลยฝนฟ้าตกไม่ตกต้องตามฤดูกาลถึงหน้าร้อนก็ดันตกถึงหน้าหนาวกับ แดดออกเป็นร้อนอายุยืนยาวหมาันลายปีเส็นหลากไปพองูเถื่หน่วงห้างเกี่ยวจะกอดหนูเดินเจียงขึ้นน้ำลมโบโหเมื่อเดินงีซึ่งเราห่อนเดินหาพตาลนาำ น, นั่นมันจะไปอย่างนั้นคนโบราณก็ยังพูดเอาไว้เมื่อมันเป็นเช่นนี้คำว่าทำไมจึงต้องมาระดมทำก็ดังกล่าวแล้วเมื่อมันขาดแทนสินทำไปมากๆคนไม่มีสินมีธรรมมันก็เกิดวิกฤตการันพันป่วนแปรป่วนแม้กระทั่งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าแผ่น ไฟอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะต้องมาถามว่าทําไมจึงต้องระดมทำมแล้วต้องเอาทำกลับคืนมามิจินั้นแล้วโลกนี้มันจะเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีโลหะมามันก็เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียดทําลายปลาทําลายโลงโลหะนี่มันมากลายเป็นน้ํามาท่วมหั ว, หวกลายเป็นสตอมมี่กลายเป็นพวกพายุถ้ามีโทสามากมันก็กลายเป็นไฟระเบิดเป็นไฟนิวเคลียร์มันกลายเป็นไฟนิวตรอนเห็นไหมลนะ่ะ ถ้ามีความง่อเสอะมากมันก็เอาอีกแล้วเกินโมหะมากขึ้นมันก็เตอแทนดินไว้ปูก็ไฟระเบิดเนี่ยมันสั่นสะเทือนกันมันสั่นสะเทือนกันเป็นด้วยฝีมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นงา น, งานระดมธรรมที่ถามาระดมทมคืออะไรก็ดังเก่าแล้วคือการ Ang, ระดมทุ่มเทเรี่ยวแรงรวบรวมพลังงานแห่งธรรมบุคคลในวมี am, ินมีธรรมมารวมกันประกาศจะทมพูดให้ฟังทาให้รู้อยู่ให้เห็นนี่เอาบุญใหญ่เียว่าบุญระดมทรมมันเป็นบุญข่าควายกินสิบตัวตีกองเต่มทุกอย่างนั่นมันจะทิ้บหายวายว่ากันอะไรไม่ทราบทำไมจึงต้องระดมธรรมดังเก่าแล้ว พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมแล้วมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าจนถึงกับที่ว่าลมเดินผิดทางหลงทางเทวดากับเลิกฝนฟ้าไม่โต๊ะต้องตามฤดูกาลพืชพันธธัญญาหันออกลูกออกมากไม่มสม่ำเสมอกันสุกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลสุกไม่มสม่ำเสมอพวกมแมลงพวกศัตรูเพื่ออะไรต่างๆมากขึ้นมนุษย์เนี่ยก็จะปราด้วยสารเคมีในที่สุด พวกผลหมาราาไม้ทั้งหลายปลูกจับลงดินก็ใส่ ย, ยาไปทั้งแต่อยู่ในรากมันทั้งแต่อยู่ในเม็ดมันโคกันไปจนเป็นดอกก่อชีตเป็นลูกก่อชีจะปิดมาหายพวงนี้ชีดฉีดเสร็จแล้วกลัวมันจะเน่าก็ใสเคมีสารกันบูดอะไรเข้าไปหาลง่งฮันรากไปเป็นอันว่าผลไม้ก็สะสมแต่สารพิษมนุษย์ทั้งหลายบริโภคผลไม้เหล่านั้นพระพุทธเจา้าท่านเบาหวามทิวพันธ์ก็เศร้ามองโรคภยัยไข้เจ็บก็มากไปด้วยอาพาธอายุก็สั้นตายไป นี่มันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้สุดท้ายท่านก็มาสรูปคุณนันเจตระมานานังชิมังคตฉันติปุงคโบสภาตาชิมังกัจติเนเตจิมังคเตสติเอวเมวามนุเตสุโยโหดิเศตสัมมโตโสเจอะธรรมิกังจรติปเทวอิตราปชาสัพังรัถังทุกขังเซติราชาเจโฮเดหามิโก นี่บัดท่านจะรู้ท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อฟงหัวฟงควายมันไปแล้วหัวหน้ามันไปฟงมันก็ไปตามหัวหน้ามันไปคตรโลกฟงมันก็ไปโคตดในหมู่ของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหัวหน้าไม่มีสิทิมีธรรมมันก็ไม่มีสิทิมีธรรมไปด้วยกันทั้งนั้นแว่นแว่นทั้งหลายก็ประสบแต่ความทษข พรเหตุ น, นั้นงานระดมธรรมได้เกิดมีขึ้นเป็นคําใหม่ดังกันมากขึ้นทางกรุงเทพทางภาคกลา ง, างอาจจะมาอยู่ที่นี่ได้มีคนมานิมนต์ไกลๆดังกล่าวแล้วไปเทศในงานระดมธรรมก็จึงพูดกับพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาเนี่ยให้รู้จักคํานี้แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเราไม่เอากับเขาบ้างหรือระดมธรรมกันบึงเป็นจังเต๋พวกเราเนี่ย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 ว่าไปแล้วก็อออเคารพกันเถอะครับอีกอย่างเก่ามันรักบ้านลักเมืองก็ต้องพูดอย่างนี้ทําไมยึงต้องระดมทำก็ดังกล่าวแล้วโลกกําลังขาดทำกําลังหันหลังให้แก่ทำกําลังเกิดวิกฤตการณ์ท้าวอนสงครามลีรันดนรสงครามร้อนสงครามเย็นไต่ดินบนดินสงครามจิตสงครามเศรษฐกิจสงครามประสาทเนี่ยวนี้พู่งพัไปหมดเห็นไหมป่วมชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นระดมทำเพื่ออะไรเอาล่ะมาถึงคาว่าเพื่ออะไร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 เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันตหากมีสินมีธรรมเศรษฐีใจบุญมีขึ้นนทุนหน้าเหลือดตายไปคนจนบูชาบาบายามุกตายไปสัตวบุรุษที่จนตนเกิดขึ้นมามีสินมีธรรมแล้วเราพ่อจู ด, ด้วยกันอย่างนี้เมื่อก็เป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคิร์นเจ็บเป็นเพลิงผ้ากันแดดย่าเมื่อมอละนั่งเหมยห่นห้อมกันเหมียนขบ่บสรงรวยสุ้มจวดผอมสการไห้ทรงถึง มันจะต ก, กหายหาหิ้วห่อหักเหม็นน้ำคนมันเสียรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้เคอจังเฮ่อค่าแก่เกียนเห็ น, หนแล้วเกียนแก่บัจรไปหอหน้ำเพื่อจะได้แก่เกียนตัางกันรวยคนจนอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่ออันนี้เพื่ออันนี้แรียว่าระดมธรรมเพื่ออะไรสูงขึ้นมาเพื่อโลกุตตลอธรรมหรือความจรงิงสิ่งที่ต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำอันนี้ความจรงิงโลกนี้มีความจรงิงความทุกข์ เป็นของจริงเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่จริงความดับทุกข์ก็มีอยู่จริงหอนทางปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์จนหมดทุกข์ไปสู่นิพพานก็มีจริงผููถึงนิพพานจะเขาะ้าใจวัดตายและบอกอาตามานี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจได้ยินพระผู้หลักผู้ใหญ่เทศที่ไรเบาหวานเลิกพูดกันเรื่องนิพพานเรื่องสวรรค์ น, นิพพานเนี่ยมันมีอยู่ดีกินดีในชีวิตนี้ก็พอแล้วเรื่องนิพพานเลิกพูดกันก็ได้คอยเอาปัญหาเฉพาะหน้าคนไม่เหมือนกัน บางคนเขา่ายที่จะดับทุกข์ทางใจจิตใจเขาสงเึ้ิ่ก่อมีพุทธศาสตร์ปัญาจะมาสอนแข่อยู่นียินดีหาได้ กินเป็นนั่นไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้ศาสนาอื่นเขาก็สอนกันมาแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่ลูนกนูปูปิกมันก็ไม่ปาให้มันตายดอกมันหา ก, กินได้พุทธศาสนาเนี่ยมันสงูงขึ้นมาถึงทุกเหตุให้ เ, ท เ, ทเกิดทุกความดับลงแขวนทุกขนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกที่เรียกว่าอารยะสัตว์หนึ่งจะต้องให้มนุษย์ที่เรียกว่าชาวพุทธชั้นสงนูงรู้จักให้มันเป็นสัตจยานรู้ความจริงอันนี้แล้วก็มารู้กิจเจียน หน้าที่ที่จะต้องกระทำกับทุกนเ่เฮดจังใดทุกขังอริยสักจังปริเยยังทุกในกำหนด ค, นคนนู่มันทุกนำห่ังมีมันทุกทกข์ค่ะ สมุทา ย, ยังปหาตับผังเหตุนในเกิดทุกข์ให้ละไมยังเหตุนในเกิดทุกข์นะ่ะปัญหาความยากได้ยากมียากเป็นไม่ยากได้ไม่ยากมีไม่ยากเป็นที่เป็นบวกที่เป็นลบหลงก็ไปยึดมัน่นถือมันอันนี้ต้องละมันก็เป็นได้เรื่องโลกุตละเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะเอามาสอนยิ่งคนสมัยนี้เป็นโลกประสาทกันมากๆคนเฒ่าคนแก่ก็กุ้มอกกุ้มใจพอาลกูกเลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงร้านเต็มเมืองมามันไม่เค้าลบมันไม่บูชาพวกคํำสอำาอะไรสูงจักจัง เกิดแหกินมังงูออกุญแจให้หาลายหลายได้แปาบุญบ้านนี่บ้มากก็ได้ได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พอ่อแม่ได้ยินลูกสาวผู้ลูกชายผู้อย่างนี้จะเป็นบ้าตายเพราะเหตุนั้นมันจำเป็นจะต้องมีมีธรรมะโลกุตละรู้จักอริยสัจกันให้ได้พุทธศาสนานนเน้นสูงสุดตรงนี้ ไม่ใช่เพียงแต่ให้อยู่ดีกินดีมีเงินเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านมันยังตกนรกติดแอเป็นอสุรก า, ายติดแอจั่งมือปืนแห่ทีละขย óng ถูกยิงเงินตายนะมันยังรับประกันความสงบความต ก, กความดับทุกแห่งชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นรัต ด, ดมทำมันจะต้องมีทั้งสองขั้นตอนทั้งโลกียะทั้งโลกุตละมี่พูดด้วความเร็วสูงเวลามันจะหมดมันก็ต้องพูดกันอย่างนี้เลยเวลาหนึ่งชั่วโมงของกถานี่นี่มันน้อย ทีนี้เราก็มาถามกันต่อไปอันสุดท้ายว่าละดมทำโดยวิธีใดโดยวิธีใดเอาล่ะจะต้องมาพูดกันตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดกันหน่อยเพื่อดมทำโดยวิธีใดก็ต้องท้าความกันมาครั้งแรกว่าละดมทำคืออะไรนั่นก็หมายก็ว่า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 บางคนดีกว่าพระก็มีเฮ้ดีหลายๆซะมากกว่ไปบบวชซะกประชันในนี้เรายังยึดมั่นถือมั่นกันเหลือเกินในทิฏฐิถ้าเห็นโยมคนไหนเขาดีๆเขาพูดธรรมะอธิบายธรรมะมีชีวิตเรียบง่ายไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทำหน้าที่ของตอนเองอย่างบริสุทธิ์จริยใจเหลือจากนั้นก็ยังช่วยเหลือเจือจานเผื่อแผ่สังคมช่วยเหลือศาสนาถ้าเขาไปพูดธรรมให้ฟังฟังหน่อยพอพูดจบเฮ้ บอกไปเพราะวันนั้นแหลคะครับมันดีมันคือผมไปบวชเนี่เสร็จอีก e, พวกเราเข้าใจกันน้อยเหลือเกินคนดีไปหมวนบนแล้วมันมจะมีแต่คนซัวคนด้วยสันพวะพ่ะธรรมได้บวชหรือว่าจากไหนคนดีๆกับอู่เนี่ต้องมาบวชก็ได้คนดีๆเป็นอุบาสกอุบาสิกาการรักษาศาสนาส่งเสริมศาสนาให้อยู่ได้หนึ่งพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายในสองญาติโยมเป็นเจ้าหน้าที่ภายนอก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 น้ำเจะอจืดสนิทส่างน้อยๆกินแทบเป็นบ่อไหลก็ไดเนี่ยคนมีเงินมีทองมากมันไม่มีสถาามัไม่ช่วยเหลือเจือจุนเพื่อแพลคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อศาสนาทรักคนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้าบึงน้ําบ่อพออาศัยสัพคนชั่วแม้มีมากแต่นี่หนเหมือนน้ําในมหาสมุทรสุดจะเข็มนั่นเห็นไหมล่ะคนดีมีเงินทองน้อยๆมีสทาาก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่มี เคยเลือสังคมช่วยเลือศาสนาทำบลบุญสุนทรารามถนับต น, นุนประสงองค์เจ้าแต่คนรวยมีกำลังทรัพย์คาดกำลังศรัทธาไม่ช่วยเลือใครไม่ช่วยเลือสังคมไม่ช่วยเลือศาสนาเราต้องการคนดีที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังศรัทธา มีกำลังปัญญาอยูเป็นคารวาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะได้ทำบุญสุนทรท า, านจะได้รักษาประสาทนะจะได้เป็นตัวอย่างแก่อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นอันนี้มันบดีดีอารมารู้จักคนนําแก่ควรจ่เป็นอุบาสกตัวอย่างขออาใครไม่ได้ไม่ไม่ไดขออนุญาตแก่นํามาเล่าให้ฟังที่นี้โยมวิเชียนคนจังหวัดสมุทรสาครมาโยู่บ้านเชียง เดี๋ยวนี้เป็นผู้จักดการเขตธนาคารไทยประกันชีวิตคนนี้ทั้งลูกทั้งเมียอยู่ในสินในธรรมกินอาหารมังสวิรัติแม่ค่าตั์ตัดชีวิตทมบุญหลวงวัดโน้นวัดดีเห็นพระสงฆ์เจ้าท่านคนนี้ขอภาวณาช่วยเลือเจือจุนรับแม้ถ้ามีพระไปที่บ้านเนี่ยแกดีใจเลยเกิดอาตมาถูกนิมนต์ไปถึงวันเกิดเอารถมารับมอดทางวัดแล้วเกาะ ถวายสังฆทานเป็นแบบเป็นอย่างใหม่มีการกินเหล้าเมาย า, าบ้านอะไรบ้านธรรมาจริงๆเหมือนกับวัดอยู่ในห้องมีห้องป้าห้องอะไรเช้ามาพาลูกพาเมียทําวัดสวดมนต์สว่างเสร็จกินข้าวเย็นปลาออกทํางานลูกเต้าทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรพ่อดีแม่ดี พ่อเป็นเทวีแม่เป็นเทวาลูกเล็กๆเป็นเทพบุตรเป็นเทพปฏิดาเพราะเห็นแต่สิ่งที่ดี ด, ดงามพ่อแม่พูดกันไนพเราะอ่ อ, อ, อนหวานประสานสามัคคีไม่ทีรักให้ดูดดื่มหวานชื่นเหมือนเทพบุตรเทพปฏิดาอยู่ด้วยกันบ้านหลังนั้นก็เมื่อสวรรค์ลูกเจ้าได้เห็นแต่บรรยากาศที่ดีที่งะดีเห็นพระสองอ์องเจ้ามาอ้าวพ่อรับมาลูกมากราบถุคนนี่ตัวอย่าง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 พ่อเหตุ น, นั้นพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาทั้งหลายเอย๋ยข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านปีนี้ฟ้าสง่งฝนดีกันเหลือเกินมีข้าวมีปลาคิดกันบ้างป่เนาะหน่อเห็ดอยนะ่างไรเนาะเอาบุญระดมถ้ำคือคนในเป็นยังบ้านเฮาเจ้าสามมื่นสี่มื่นห้าหมื่นเจ็ดมื่นไม่ต้องขางัวข่าควายดอกบึกษากันเพลิอเพลิออกจากหลังจากนั้นกลับไปนิบนโคบาอาจารย์ ที่ท่านดีดีงามงามที่ท่านมีศิลาจาราวัตรแล้วก็ไปเชิญอุบาสกอุบาสิกาตัวอย่างคนไหนที่ประพฤติปฏิบัตทิทำที่ดีเลิกล่างละอาบายยาโมเป็นคนเสียสละอะไร ต, ต่างๆเขาเนี้ยให้มารวมกันเป็นตัวอย่างพูดให้เราฟังเราเองก็เสียสละข้าวปลาอาหารเป็นการเลี้ยงกันเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัตทิทำพ่อแม่ไปนุ่งข้าวห่มขท้ากัน ปฏิบัติทำฟังเทศนั่งสมาธิเดินจงกกมกูบาอาจารย์ท่านสอนตกเช้ามาลูกเต่าไปส่งอาหารพ่อแม่พ่อแม่ไปจำศีลแล้วหนุ่งเขาหอมเขาพระทรงเจ้าอบรมมีวิทยากรที่ทรงคุณพรุท ธ, ธที่ติทรงทําลูกเต่าทั้งหลายก็ไปจังหันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผลเลี้ยงออามาไดเ้ตะกี้บายเี๋เพิ่นไปยุวัดซีเบือหาเบือไปเลี่ยมเพิ่น ในั้นที่ลูกหลานไปเลี้ยงก็ถือโอกาสเทศแนะนำคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศิลธรรมให้แก่ลูกแก่หลานให้มันซึมซาบอาบรถมีสื่อการสอนอะไรก่อนนำไปค้นไปยังนีกว่าระดมทำระดมพลังงานแห่งธรรมส่วนผู้เฒ่าผูกแก้แก่ลูกหลาน ได้มาจังหันตนเองตอนเองอเป็นออบาสุบาสิกาถือศีลแปดประพฤติปฏิบัติทำโลกล้านมาพ่อแม่ก็เ อ, อิบอิ่มจิตใจโอ้ยได้เห็นหลวงมาวัดมาว่ามาดีใจหลายแท้บอกกิมก็อิ่มนั่นเห็นไหมล่ะเหมือนเชิญพ่อแม่ขึ้นสุสวรรค์อิ่มเหมือนกัน พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณและบุตรคุณธิดาใดเจ้าหอแม่มานั่งอยู่ในบาทสองข้างให้ขีราชเยี่ยวรถอยู่วันละสามเวลาป้อนข้าวให้อิ่มอาบน้ำให้เปลี่ยนผ้าให้ลูบไล้ข้าวนอนบีพันท่านที่ว่าเป็นผู้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงมาแต่นึ่งขนาด น, นั้นยังไม่สะสม ลูกผู้ใดพ่อไม่มีศีลนั่นไม่พ่อแม่มีศีลพ่อแม่ไ ม, ม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารและศรัทธาในศีลในธรรมลูกสามารถทําให้พ่อแม่มีศรัทธาด้วยผู้ลูกนั้นแหละเชื่อว่าตอบแทนบุญคุณอย่างสะสมเป็นลูกที่ประเสริฐเป็นลูกที่ดีที่งามเนี่ยพ่อแม่ไประดมธรรม บวชนุ่งขาว ข, ข่มขาวเป็นเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีสมาทานสิ้นแปดฝึกสมาธิภาวนาสมาธรรมาทานวิพัฒนากรมทามทานลูกหลานเอาข้าวเอาปลาไปส่งช่วยส่งเสริมเลี้ยงกายพ่อแม่ให้มีกำลังประพฤติทำแล้วยังหล่อเลี้ยนน้ำใจพ่อน้ำใจแม่พ่ออุียแม่อุี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ โอ้ยลูกหลานมาจังหันวันซ้อนพ่อแม่ประพฤติรรทำดีใจนั่งสมาธิยิ้มแม่เหมือนถูกเชิญไปไว้บนสวรรค์นั่นไงไหมถ้าพ่อแม่ไปวัดไปวานลูก อ, อ็นู่นน่ะเข้าดิสโก้เทคลมกงล ม, มกาวอยู่โน่นอย่างนี่ตัวอยู่วัดใจอยู่บ้านอยู่นําลูกนําหลานตกนรกติดตกนรกอยู่ในวัดนั่นแหละไม่ใช่นรกติดแอเพราะเหตุนั้นงานระดมธรำ ควรจะได้คิดกันบ้างแล้วเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเลิกกันได้แล้วบุญแข่งบ้างไฟไปซื้อมือซื้อเจียซื้อมาดกรรมมาทันมาขั่วมาตาตัวแลปี่ปี่ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวนำแล้วก็ไปแข่งกันลงเดิมพันเท่านู้นเท่านี้นี่มลเลิกได้แล้วพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเอ่ย แล้วก็งานแข่งลงแข่งเรือพะระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีห้ารางวันเรือพระนั่นวัดนี้ก็อยากจะ่นี้หมดเลิกอีกเหมือนกันงานทานั้นเหล่านั้นเลิกเลิกเลิกเลิกได้ละดีที่สุดก <c oughs> ็ผมเองอยากจะกลาบสักร้อยหน้าธรรมอย่างนั้นมาช่วยกันระดมธรรมเราเองเกิดมาในค้นพุทธกาลแล้วสองพันห้าร้อยสามสิบสองจะเข้าสามสิบสามปีอยู่รอมบลล้อยจนแล้ว แล้วเราเองนั้นควรจะสำนึกเกิดมาแล้วพ่อแม่พาถือศาสนาพุทธบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมาพอเรามาบวชยังไม่ได้สร้างคุณงามคุณความดีอะไรคนก็กราก็ไหวอุบาตไปวันไหนก็มีคนใส่ให้นี้เราได้มูลมังสันขายะมระดกมลรด ก, รดกจากพระพุทธเจ้ามลรดกจากพ่อแม่บรรพบุรุษที่ได้รักษาศาสนาพุทธไว้ให้เราพระประเทศอินเดียมาเยี่ยมอาตมา สัตตาหะมาเยี่ยมนะท่านมาจากนูน่นพุทธกยานูาน่นเฝ้าต้นพ่อมาถึงยี่สิบกว่าปีท่านมาเห็นเมืองไทยมาเห็นวัดอามาขนาดวัดอดอยากอยู่ในป่าเนี่ยพาออกไปบินทบาทแขมฟ้นไปคนใส่บาทเห็นเด็กตัวเล็กๆมาพนมมือไหว้แม่ท่านดีใจท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะท่านบอกว่าลัมอินวันไมา์โธ um ว่าอย่างนี้วินฟิลลิ่งท่านบอกว่ า, วาโอ้ยผมมีความหูซึกเป็นก้อนจออนุกคอไปท่านลำาลาเป็นว่าก้อนๆ้อนหนึ่งเป็นก้อนอินวันโธสอ้อนจุกคอดีใจเห็นคนไทยตักบาเห็นคนไทยตัว น, น้อยๆรู้จักนบพระสงฆ์องค์เจ้ากลับมาวัด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 มีคนนึ่งให้กินเขาจ้างมานึ่งให้กินเป็นประจำหุงให้กินไม่ใช่นึ่งทำอาหารให้กินเป็นเงินของรัฐบาลของประเทศศรีลังกาส่งมาให้จึงได้กินไปวินท บ, บาทเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วผู้ใดจะสายขายนี่ทำไมประเทศอินเดียจึงไม่มีพุทธศาสนาบนรรพบุรุษรักษาไว้ไม่ตลอดลอดฝั่งถึงลูกถึงหลานพอซ้อนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองเมื่อเกิดไม่มีอีกเลย แต่บรรพบุุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นท่านได้รักษาพุทธศาสนามาถึงเราในช่วงนีน้ช่วงเทคโนโลยีสูงชุกยุคไฮเทคยุคพุทธวัตน์เอทอะไรอะไรมัน ก, ก็กดปุ่มกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียก ว, ว่ายุคกดปุ่มพุทรวเตนเอ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กดปุ่มเป็นรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปกดปุ่มเปิดป้ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปเจิมเจิมป้อ ง, เ จ, องเจิมป้ายเนี่ยเนี่ยุกกดปุ่มเพียงแต่กดปุ่มแจ๊กเจิมเจ้าท็อนตังกระไดเงินในทองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนภูณแล้วก็พูดอีกฝรั่งซื้อล้อใหม่มาให้อาตมาเจิมคิดอย่างไงก็อบอกว่าไปให้อาจารย์สมภพเจิมดีกว่าฝรั่งเยอะละมันลูกติดมาอ ย, ยู่ที่นี่แหละเขาไปมีลูกไม่มีเราซื้อล้อใหม่มาเจิม เนิ่อยังไงออกมาก็เจอเป็นภาษาอังกฤษเลยบอกรแค่ฟุเลย with my funet บอกครับด้วยความระมัดระวังด้วยมีสติสมัชชัญญะ don't be careless เขียนอย่างนี้เจออย่างนี้เป็นภ า, าษาฝรั่งยังนี่แหละมันจึงสักสิเพราะฉะนั้นยุคพุชบัตเนเอ เราอย่าไปมัวกดปุ่มเจิมแต่ป้ายอย่าไปมัวกดปุ่มเปิดป้ายตรงโน้นตรงนี้เริ่มมาระดมทำกดปุ่มเปิดทำประพฤติปฏิบัติทำกันดีกว่ามันจะดีจะงามบ้านนี้เมืองนี้จึงจะอยู่รอดไปได้ศาสนาพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของเรา ท่านได้รักษามาถึงเหล่าบัตินี้เราจะรักษาต่อไปพระพุทธเจ้าว่ายาเป็นอันติมะบุคคลยาเป็นอันติมะบุรุษยาเป็นอันติมะพิขูยาเป็นพิสุองคสุดท้ายต้องทาให้คนอื่นเดินตามหลังเรามาให้ได้ คือเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามเรารักษาไว้ได้อย่างดีงามอย่างนี้ลูกหลานจะได้รักษาต่อไปสกววุกโตวาทิคเวโลเกติธมาโนสุกต ว, วินายโยนี่ติทัศตาุูชนะสุขายญาภูชนะหิตายะโลกานน ก, กัมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนพิสุทธิทางหลายเมื่อใดทำวิในของเราระเบียบริไนเราตถาคต ยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อ น, นั้นความสุขความสงบความร่มเย็นประโยชน์อันยาวนานก็มีแกเทวดาและมนุษย์เผื่ออนุเคราะห์แกโลกนี้เพียงนั้นท่านพูดแล้วพูดอีกว่าถ้าหากยังมีศาสนามีธรรมม่วินัยคำสอนของท่านอยู่ในโลกนี้เพียงใดนั้น ความสุขความสงบความร่มเย็นย่อมเกิดมีแก่โลกนี้โยู่เพียงนั่นข้อ เ, เหตุนั้นเราต้องการความสุขเราต้องการความสงบร่มเย็นสังคมอันดีงามพระ ก, กันฉันพี่ฉันน้องเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมเรียกร้องพลังงานแห่งธรรมคือความดีความงามความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทาลงไปให้มันถูกต้องตาม ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมให้สังคมมีระบบชีวิตมีระเบียบอันดีงามโดยอาศัยอำนาจศีลศีลหรือวินัยนั่นจะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่มีระบบให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีระเบียบเรียบว่ามีระเบียบแห่งชีวิตและมีระบบแห่งสังคมที่ดีงามส่วนธรรม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 เรียกร้องให้ทําลักษณะที่เรียกว่าโลกุตละหรือว่าสัจะทําให้เกิดมีอบรมกันพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นพายาธาโยมทำห้าอย่างนี้เราก็จะสามารถรับมรดกทางธรรมเรียกว่าธรรมทาญาตผู้รับมนมังสังขญาทางธรรมไว้ให้แก่โลกแก่สังคมดังที่พระพุทธเจ้าท่านหวังเอาไว้ อ่านเปิดพระไตรปีดกธรรมทายาทโสตรมูลปัรธาตุมาจะมาในการเรื่มที่สิบสองข้อที่ยี่สบเอ็ดหน้าที่ยี่ดมีข้อความตอนหนึ่งวันรู้ก่อนที่สุดทั้งหลายความห่วงใหญ่ของเรามีอยู่มีต่อเธอทำละทั้งหลายว่าทำฉันไหนหนอเหตดจังไดเนอว่าอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเราเห็ดจังไรเนอพระทรงองค์เจ้าสิทของเราแต่ทาโคจึงจะเป็นธรรมทาญาทผู้รับมรดกรับช่วงศิ้นช่วงธรรม อันถูกต้องดีงามของเราไว้พี่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ารับเพียงอามิส h า y า t พอได้นอนกุตติฟีฟีได้กินข้าวฟีฟีอยู่ดีมีเฮงสบายซื่อ ซ, อซอืพวกมูนี่เรียกว่าอามิส h า y า t รับมูลมังสังขัญญาทางอามิตรท่านหวังและเป็นห่วงว่าทําฉไหนหนอเห็ุอย่างใดดีเพราะฉันสาวกของเราจึงจะเป็นธรรมธายาธ เ, เวลาของเราก็หมดด้วยความจําเป็นเพียง